ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รลพระพุทยญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาธิธระดับโลกิยะโดยเน้นไปที่เรื่องกฎแห่งกรรมอย่าที่บอกไว้ว่าในเรื่องของกรรมนั้นมีเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องคือหมายความว่ามีกิเลสและก็เจตนาทมพูดคิดออกไป เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะแต่หมายความว่าภายในใจคนนั้นยังไม่หมดอวิชชาการกระทำทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นกรรมอยู่ตอนดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมเรียกเป็นบุตรเป็นบาปทีนี้เมื่อทำแล้วก็ต้องเกิดผลแต่เรียกอบิบัต แล้วใครเป็นเจ้าของผลล่ะใครเป็นผู้สรุปผลล่ะผลนั้นจะติดตามคนไปก็คือคนที่กระทำกรรมนั่นเองกระบวนการตรงนี้มันมีอยู่ทุกเรื่องนะเช่นเราอ่านหนังสือเป็นกรรมความรู้หนังสือเป็นผลของกรรมใครอ่านคนนั้นก็รู้เราก็เป็นเจ้าของผลตรงนั้นกินอาหารเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมใครกินคนนั้นก็อิ่มอิ่มแทนกันไม่ได้ การกินยาถ่ายเป็นกรรมการถ่ายยาเป็นผลของกรรมใครกินคนนั้นก็ถ่ายเพราะความต่อนเนื่องตรงเนี้มันจึงสะท้อนออกมาเป็นสองแนวเป็นโทษเป็นคุณเป็นคุณนั้นท่านเรียกว่าอนิสง์เป็นโทษท่านก็เรียกว่าผลบ้างเดียวว่าวิบากบาั่อ์ในที่นี้ต้องการนําท่านผู้ฟังไปศึกษาอีกช่วงหนึ่งช่วงของผลเรื่องนิสง์ ของการระทําความดีซึ่งในแง่ของการศึกษาพิจารณาแล้วเราก็มองอีกฟากหนึ่ ง, งว่าถ้าตรงเนีเปลี่ยนไปนอย่างองื่นจนตรงเนี้ยเป็นทานแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นตนีก็คือตรงกันข้ามตรงนี้เป็นศรัทธาถ้าเปลี่ยนเป็นไม่มีศรัทธาก็คือตรงกันข้ามตัวนี้พูดเรื่องศีลถ้าตรงถ้าการไม่มีศีลก็มันก็กลายเป็นโทษคือตรงกันข้ามกับฝ่ายที่เป็นคุณ เป็นการศึกษาทีเดียวจะเห็นผลทั้งสองทางนเห็นเหตทั้งสองทานเห็นผลทั้งสองางเป็นลักษณะคลา้ายๆกับการอธิบายขาวกับดําเห็นดำก็อธิบายขาวได้เห็นขาวก็อธิบายดําดได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเห็นทั้งสองอย่างเห็นร้อนก็อธิบายเย็นเห็นเย็นก็อธิบายรอ้อนเห็นมืดก็อธ <PM. S 1> ิบายสว่างเห็นสว่างก็อธิบายมืดได้ถ้าเรามีความเข้าใจว่า สิ่งก็หลายนั่นมันมีความทรงกันข้ามเทเรียกว่าเป็นทวิภาวะคือทรงกันข้ามกันอยู่ภูการในสงเหล่านี้ที่จริงเราก็ได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องเรื่องศีนี่มาพอทุกครั้งที่มีการสมาทานศีนเมืเ่อเขาบอกถึงผลของกุศ ล, ลกรรมตรงนี้ว่าศีลนสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีน สีเลนัมภกัสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยพวกกัสมบัติได้ก็ประศีทสีเลนั้นนี่ปุตติยันติบุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ะสิก็ท่านสรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าตาสมาสีลังวิโสทะเยเปรีดนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์หมดจดนี่เป็นการพูดอันอสง์โดยรวมแต่เรียกว่า สวรรค์สมบัติปริมาณสมบัยไม่ใช่สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติแล้วก็นีผ่านสมบัติแต่เวลาเรียงโดยทั่วไปเนี่ยเขาเรียงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในผ่านสมบัติเขเรียงสูงขึ้นไปตามภูมิจิตตามภูมิธรรมตามกุศลที่บุคคลได้กระทาลงไปในที่นี้จะยกตัว อ, อย่างในสมสงที่เราคุ้นคุ้นในสมองของฐาน ที่จริงทรงจําแนกแสดงไว้โดยอเนกกัปริยาคือในญาต่างๆแต่ส่วนใหญ่ท่าที่พบเนี่ยมันก็แถวห้าแถวสี่เนี่ยห้าข้อสี่ข้อเนี่ยไม่ใช่ห้าข้อหกข้อคือแสดงในปัจจุบันจะสามข้อและแสดงในระหว่างปัจจุบันกับอนาคตอีกหนึ่งข้อและแสดงอนาคตอีกหนึ่งข้อ แสดงถึงอาการที่เลื่อนไหลไปตามกระแสของกุศลนกุศลเพราะกุศลเนี่ยบางทีท่านเรียกว่าปุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลการเลื่อนไหลไปของกระแสะกุศลไกลๆกับน้ําทางเหนือแถวนครสวรรค์นิสัยสะอาดนะสมมติว่าเนี่ยแลไหลลงมาแม้จะเจอน้ําขุนข้างล่างนะมันก็ลดความรุนแรงก็น้ําขุนลงไป แม้จะทำให้ใสไม่ได้นะก็จะลดความขุ่นลงไปแต่ถ้าไม่ประทะกับน้ำขุ่นข้างล่างหรือไปประทะกับน้ำใสยอยู่ข้างล่างเนะี่ยมันก็ใสเพิ่มขึ้นน้ำใสก็ไหลลงมาได้ถึงกรุงเทพดังนั้นลักษณะการเลื่อนไหลเนี่ยมันพอเลื่อนพอไหลเนี่ยมันก็ไม่แน่ไปเจออะไรเขาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นเขามีความหนักแน่นจริงๆ มันเกินเหมือนกับพวกบัณฑิตทั้งหลายที่อยู่ท่ามกลางคนผ่านเนี่ยคนผ่านก็มีอยู่เยอะแต่ท่านครองตนได้มาด้วยความสวัสดีโดยคนผ่านไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของท่านให้กลายเป็นผ่านไปได้ท่านก็คงความเป็นบัณฑิตยอยู่แต่ตรงนี้ก็ต้องเข้มแข็งมากจิตใจจะลู่อ่อนไหวไปตามกระแสอารมณ์เลยไม่ได้ คือยันึกภาษาสมัยหนึ่งนี้เราเห็นภาพก็เรียกว่าเคาะเต้นไปตามจังหวะที่เขาเคาะให้เต้นมันพูดแสดงทั้งหลายเนี่ยคือเราเห็นได้ชัดว่าพวกนั้นมานัดหมาย ก, กันเป็นกลุ่มประโยชน์ที่หากินด้วยกันในการเต้นอย่างนั้นไม่ค่อยแปลกอะไรแต่บางทีมันไปเต้นไปตามกระแสที่ยั่วยุย้วนมาจากข้างนอก แล้วก็ทำไปตามที่เคขาะขจังหวะให้เราเต้นดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้ดู่มันขาดความเป็นตัวของตัวเองแต่แนวของกุศลกรรมเหล่านี้มันเป็นแนวที่อาศัยการใช้ศรัทธาเลยใช้อาศัยการใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองเห็นผล จะเกิดขึ้ น, นทําเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ทําเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่เราลืมว่าผลนะ่ะยังไม่เกิดแกเราอะนะเพราะเรายังไม่ได้ทำํำนะมันเหมือนกับเขาบอกว่าอาหารนี่กินอร่อยแต่ยังไม่อร่อยนะฮะเพราะเรายังไม่ได้กินนะท้องไส้ก็จะดีอะไรตอะไรตั้งก็อธิบายไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่จริงไปเราไม่ได้กินแต่เราเชื่อแล้วกินเข้าไปอนะ่ะตอนเนี้ยมันจะแสดงผลออกมา อันนี้สงของทานเนี่ยสงแสดงว่าผู้ให้ทานจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนมาโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยความมิตรไมตรีผู้ให้ยอมรักการให้ต่อผู้ไหว้ยมบ ก, การไหว้ต่อผู้บูชายอมรักในการบูชาต่อโลกมันเป็นสังคมเดียวเรีย ก, กิริยาปฏิกิริยาเราต้องการปฏิกิริยาในลักษณะใดเราก็สร้างปฏิกิริยาในลักษณะนั้น โดยเฉพาะยิ่งโลกมันอยู่กับการให้การรับถ้าขาดการให้การรับแล้วโลกมันจะสืบต่อไม่ได้ไม่ต้องดูอะไรตัวเราเนี่ยถ้าเกิดมาเราเกิดมาจากการให้ของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายก็สืบต่อกันมาถ้าในช่วงนั้นท่านไม่ได้ให้เราก็มาไม่ได้ไม่มีท่านในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้เพะคนได้ให้จึงเป็นที่รักของผู้รับ แต่แม้แต่คนอื่นๆนะคือที่ได้พเพื่อเห็นการกระทํของท่านเหล่านั้นแล้วเกิดความประทับใจเกิด ค, ความชื่นชมยินดีก็จะมีความรู้สึกรักเคารพนับนถือศรัทธาต่อบคุคคลหลนั้นด้วยแต่เราจะสัมผัสผลได้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนให้แต่โดยไม่หวงังว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักเรา เพระาะการให้แนวนั้นเป็นแนวตกเบ็ดคือผลเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันแต่เราไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อเรียกร้องผลเรามีหน้าที่ประกอบเตจเท่านั้นเองผลยังไม่เกิดก็คือไม่เกิดอ่ะมันก็ธรรมดาคล้ายๆกับการเราปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าต้นไม้จะให้ผลเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องต้นไม้แล้วนั่ย ใจิตใจของคนทั้งหลายที่เห็นการกระทำของเรานั้นคือเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดทั้งหมดนะฮะเพราพูดทั้งหมดไม่ได้คนในโลกเนี่ยทาดียังไงก็ทำถือแต่อย่าให้หวังว่าคนจะเห็นว่าเราดีทั้งร้อยเอร์ซ็น์เพราะในขณะที่เราทำความดีเนี่ยมีคนชอบก็มีมีคนเฉยเฉอก็มีมีคนลิสยาเราก็มี แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวผลตัวเหตุของเราแต่เขาพอจะยินดีเขาก็ได้ร่วมบุญกับเราเรียกว่าปัตตามโมนามุทนาใหม่แต่เขาเฉยๆเขาก็ไม่ได้อะไรแต่เขาไปริสยาเขาประสัยการคำดีพอเราเพิ่มบาปของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็รับผิดชอบของเขาเองและเราเองสมมติว่าไม่มีใครรัก มันก็ไม่ได้ทําลายทําลายตัวผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะเนื้อหาสาระจริงๆมันอยู่ที่ความสุขใจที่ได้ทําความดีบุญชนิดก็คือคชำชําระล้างกิเลสบนส่วนผลก็คือความสุขใจที่เราได้ประพฤติได้กระทาในรัตนะอย่างนั้นประการต่อไปสัตว์บุรุษคือคนดี คนดีทั้งหลายยอ่อมคบหาสมาคมยกย่องสันเสริญสนับสนุนสงเคราะห์นุเคราะห์แก่บุคคลที่ให้ทานที่ท่านสงเคราะห์นุเคราะห์นั้นท่านสงเคราะห์โดยมุติตานะฮะไม่จะสงเคราะห์ด้วยโลภะไม่อามาตกเบ็ดต่อแต่ท่านก็ชื่นชมยิน ด, ดีนะฮะให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆอย่างเราดูข่าวคราวก็ดูได้ทุกวันนะฮะ ข่าวในพระราชาสำนักเนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนเรื่องนี้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์สารวงศ์ทั้งหลายเนี่ยทรงมาเป็นกุศลสาธารณะอเหนก น, นันทวันๆเนี่ยมีข่าว เ, าเยอะก็มีคนขอโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระอัฏฐยาใส่ก็แล้วแต่จะทรงทําอะไรพราะเราเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในกุศลเจตนาของแต่ละพระองค์ ว่าท่านก็ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชนนั่นเองก็แสดงว่าสัตว์บรุษก็เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในลักษณะอย่างนี้หรือว่าองค์กรมูลนิธิการกุศล ต, ต่างๆเราลองสังเกตว่าองค์กรบางองค์กรนีคร่คนเข้าสนับสนุนเยอะเช่นมูลนิธิพอเ็กตึงมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยมูลนิธิบำเพ็ญสาธารนณะเหล่านี้เราเห็นกันทุกวัน ก็เคยคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเงินมันเข้ามาค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งหลายล้านแต่มีเงินให้จ่ายมีคนเข้ามาช่วยคนลเล็กคนน้อยก็ามากันนั้นก็แสดงว่าสัตว์บุรุษเนี่ยเ ข, เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ในการทำความดีของเราไม่ใช่มาขอส่วนแบ่งจากการทำความดีคือยังนึกถึง และการโทรทัศน์เทียมมา ร, รมในนามศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะทำอยู่เดือนหนึ่งตั้งหลายวันสิบกครั้งนะเดือนนึ่งสิบกโทรทัศน์ช่องเกาวชอ็อตหลายครั้งแล้วเงินขาดหลายครั้งนะเมื่อก่อนเราก็ขอสปอนเซอร์มีหนังสือส่งไปบริษัททางร้า น, นต่างๆ หลังจาก 4-0 น่วไปไม่รอดหลังจากวิกฤตเรื่องเงินบานเนี่ยเราก็ไปนะครับล้วบอกกล่าวญาติโยมทั้งโทรทัศน์นะคระัแบบงานเนี้ยเราเราไม่มีเงินทำญาติยาโยมเห็นว่าควรรักษาไว้ก็ต้องช่วยกันหน่อยแหละาไม่ช่วยก็หมดลมหายใจก็ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เรายังทำอยูไ่ได้ แล้วก็เพิ่งบอกไปเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยเงินมันหมดก็บอกไปก็ตอนนี้ก็ทยอยมามันก็เห็นอานที่ส่งอย่างเงี้ยท่านเหล่านั้นบางคนส่งมาให้มากๆแล้วก็เข้าเชื่อมัน่นกับแสดงความเชื่อมั่นเนี่ยเขาบอกท่านไม่ต้องส่งอะไรไปให้ไม่ต้องส่งอันมรนาบัตรไม่ต้องส่งอะไรไปสำมานาคุณก็ก็ทยอยส่งมาให้ แตะบางคนปรานามมาไปจังแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของธรรมทานส่วนนี้เราก็ทำได้ระดับธรรมทานแต่ว่าเราจะเอาวัตถุทานเราก็ไม่มีสตางค์สัตว์ประลุษเขาก็เข้ามาสนับสนุนอันนี้คือคือตัวอย่างที่เห็นเองเราก็สามารถทำไปได้บางทางที่ว่าเขาจะจ่ายสู ง, งนะับ ก็จาธธ่ายแบบโทรทัศน์แล้วก็เขาไม่ได้คิดเงินนะฮะแต่จริงแต่ว่าค่าจะทํารายการเนี่ยค่าวิทยากรค่าอะไรต่ออะไรก็คราวหนึ่งเราคราวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแสนทําะไรแต่ก็ทําได้แล้วก็แสดงบริษับุรุษพวกเนี้ยบริษับุรุษคือคนดีทั้งหลายในบ้านในเมืองเรานี่มีเยอะที่พร้อมจะมโนธนาสาธุการณเรากิจกรรมที่เป็นกุศลทั้งหลาย แล้วดูวัดวารามต่างๆที่ไปในที่บางแห่งพวกกิจกรรมเหล่านั้นที่ท่านทำเป็นสาธารณประโยชน์ถามาเงินมาจากไหนอ่ะเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาเองก็มีคนเข้ามาก็ไม่ได้บอกป้นไม่ได้อะไรแต่คนเขารู้เขาก็มาให้การส่งเสริมสนับสนุนนี่คือพิสูจน์สองข้อเนี้ยว่าเราทำไปก่อนเราทำไปเลย ทำโดยอาศัยกุศลแลเจตนาแล้วคนที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคือคนดีเราพูดเฉพาะคนดีนะก็จะให้การส่งเสริมสนับสนุนทีนี้เกียรติคุณความดีเนี่ยจะแพร่กะรกะจายไปคนก็ยิ่งได้ยินได้ความมากยิ่งขึน้นเดี๋ยวลองดูตัวอย่างพระผู้ใหญ่ทางภาคอีสานเนี่ยจะเยอะมากที่ท่านทำสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเช่น พระอาจารย์บัวก็ดีพระอาจารย์คูนก็ดีพระอาจารย์สีเมื่อก่อนพระอาจารย์ชาะอะไรต่างๆคนนี้ทําอะไรเยอะทํามากเกินไม่น่าเชื่อวเงินผ่านท่านไปเนี่ยเป็นล้านๆเป็นพันๆล้านมันเป็นสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสาธารณกุศลนี่เยอะมากนะแล้วถามว่าเคยมีดีกาไม่ไม่เคยมีไม่เคยมีดีกาเลย แตวคนเขารู้เขาเห็นก็าเกิดเกิดศรัทธาเองเดี๋ยวเคยไปเยี่ยมนะฮะไปเยี่ยมวัดท่านเหล่า น, นี้ก็ยังรู้สึกซื้นชมแล้วก็มันพิสูจน์ธรรมะที่ที่เราชอบไปเด็นตรงนี้ว่าธรรมะนี่พิสูจน์ได้เป็นเอหิปัสิโกเชิญชวนมาพิสูจน์ทดสอบได้ตั้งตัวเหตุดวงวันนี้แต่รีเกียติคุณที่แพร่กระ จ, รระจายไปเนะมันดูดคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาพวกกลุ่มสัตว์บุรุษเข้ามาเนี่มายกย่องสรรเสริญ แต่แน่นอนชื่อเสียงเกียรติคุณของคนเนี่ยไ ม, ม่ไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องยอมรับนับตือเสมอไปคนบางพวกก็เฉยๆบางพวกก็ดีสิยาบางพวกก็อาจจะดิสิยาแรงๆยังกล่าวหาใส่ร้า ย, ายไปเสียก็ได้เราจรึงได้ยินข่าวคนดีเด่นดังเนี่ยถูกทาลายเยอะแต่คนชั่วมักจะไม่ค่อยถูกทาลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทําลายจากคนรู้ทั่วไป แต่เขาทำลายก็ก็ทำลายกันในหมู่พวกเขาหรือวัตถุกทำลายโดยเจ้าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนันเองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของภาระหน้ า, น า, นาที่แล้ว ผ, ผู้ให้ทานเนี่ยมันจะเกิดสัมผัสผลผลของการให้ทานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะคนที่เขาเขาพบเห็นของเาัามันไม่มีคําอธิบายนะฮะคือว่าคนเหล่านั้นต้องทําเอง ใครก็ตามที่คุ้นเคยกับการให้เนี่ยจะมีความรู้สึกรู้สึกจนกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกอย่ามีพระที่วัดเนี่ยมีบางองค์เนี่ยไอโซฟาเนี่ยมันมาเยอะจริงๆประเดี๋ยก็เปลี่ยนปรเดี๋ยวก็เปลี่ย น, ยยนถามมาได้เป็นไงก็ไม่รู้คนออกมาถวายาท่านก็เอาไปให้วัดต่างจังหวัดเอาไปส่งไปที่อื่นประเดี๋ยวก็มาอีกแล้วมันมาอยู่เรื่องเดียว นะบางคนก็มีพวกสมุดดินสอปากกาบางคนก็มีหนังสือบางคนคเป็นอาหารอะไรแต่เด็กก็มาก็มันอย่างงั้นก็แสดงว่าท่านได้เห็นผลแต่ทั้งเจยวก็ตือรือร้นจะทํางานโดยไม่ค่อยคิดว่ามันได้จะได้มาไม่ได้ก็ทําไปทีเรื่อยแล้วก็ดีให้ทําไปทีเรื่อยนะเราจะพบว่าโครงการในวัดบานโครงการเนี่ยโครงการใหญ่ถ้าเกินก็ไม่น่าจะทําได้แต่ท่านก็ทําไปได้ ตรใดที่ท่านยังดำรงมั่นคงอยู่ในความถูกต้องดองีงามนะแต่ที่จริงในข้อต่อไปเนี่ยข้อนี้มันจะทาให้ไม่เสื่อมจากธรรมของเครือข่าไอเหอินห่างจากธรรมของสัตวระลเพราะเขาจะพอสัมผัสผลเขาก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำบุญทำบุลเพิ่มขึ้นไปโดยดั่งๆคือไม่หยุดอยู่เพียงฐานวัตถุอาจจะเป็นนภัยทานอาจาจะเป็นธรรมทาน หรืออจะลึกซึ้งขึ้นไปในกลุ่มของวัตถุธาตุต่างๆต้นแล้วก็จะปู้ให้ทานเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ในที่บังแห่งเนี่ยข้อข้อต่อไปเนี่ยข้อข้อที่ห้าเนี่ยจะเป็นว่าไม่หลงตายจะได้ทรงสแสดงแก่ศีหาเสนาบดีเนี่ยคือไม่หลงตาย จะตายยังมีสติเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แล้ววางรองสังเกตนะว่าสี่ข้อแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนซึ่งให้ทานเนี่ยจะสัมผัสได้ไม่จําเป็นจะต้องรออะไรใครนะจะเห็นได้ด้วยตัวเองเนะี่ยจะมีข้อแมมว่าเราต้องให้นะฮะเราต้องเป็นคนให้ทานแล้วก็ให้ด้วยความสุจริตใจไม่ได้ให้แบบตกเบ็ดแบบอะไรล่ะเทพาารักษะคนตักฟืนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้น ไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่มารยาไม่ใช่หลอกลวงแต่ว่าเป็นความสุจริตใจของเราเรามีความพอใจมีความยินดีมีความต้องการที่จะทำอย่างนั้นแล้วมาทำมอทาลงไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นแต่ตามสมควรแก่เหตุที่เราได้ประกอบกระทำลงไปอันนี้สูงเหล่านีมน้มันมันมีอยู่ตลอด ในจิตใจของคนบรรก่อนเนี่ยเคยพบคนจนมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็เงินทองมันมามามาซื้อสินค้านะั่นแหละฮะแต่ว่ามันมาผิดปกติจนกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเจอกำลังสร้างเจดีก็เจอกันพอดีก็มีคนเล่าเรก็าถามเขาประโยคเดียวนะฮะถามไมโยมไม่จ่ายมากๆอย่างนี้ไม่ควจนเด้อ จะบอกไม่ต้องกลัวเราทันมันมาเองมันมาให้จ่ายเองแต่แกก็ทําแกได้เรืยก็ทําไมแกรู้อย่างนั้นอ่ะเพราะแกสัมผัสตรงสัมผัสตรงจากสองคนผัวเมียที่ขายข้าวสารทีละลิตรสองลิตรเนี่ยกลายเป็นทรงข้าวสารออนอกๆจะกลายเป็นรายได้เข้ามาวันหนึ่งเยอะแยะไปหมดแล้วแกก็ถือมันมาด้วยบุญก็ไปด้วยบุญ แต่ธรรมของคดิหั์มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขความสงบมีความผองแผ่ไปในจิตมากยิ่งขึ้นก็ทำให้ไม่หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทีนี้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เนี่ยมันเป็นัอผัดตรงอีกอก็ได้นำเสนอในเรื่องวิมานวัตถุ ในรายการเสียงธรรมจากมาวัตรีศรีปทุมสตานาวิสตานิวิทย์วพออไม่ใช่ปตอนะฮะวนพุทธประหลัดนะสุขใช้เวลาตั้งสี่สิบห้านาทีก็นำศึกษาในยี่สิบสี่ครั้งด้วยกันหรือเปลี่ยนมาจากเปตรตวัตถุเรื่องบาปแล้วก็มาสู่วิมาณวัตถุเรื่องบุญ ซึ่งแน่นอนเรื่องเหล่านี้เราต้องอาศัยความเชื่อต่อประสบพันยุตยยิญาตหรือการสัจสรูของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตหลังตายเราก็ไม่รู้หรอกแต่พระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเนี้ยและแสดงไว้เป็นอเนกนันท์คือหลายๆแห่งต้องฟังทลายแต่หลวพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งองามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยโทั่วกันสวัสดี